ทีีน่น้สัมผัสที่6ในภาษาพูดที่ให้เข้าใจกันแบบง่ายๆก็คือการมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นๆมองไม่เห็นซึ่งเป็นเรื่องราวที่สนใจของผู้คนในทุกๆวัฒนธรรมในสมัยโบราณค่ะผู้ที่ได้ชื่อว่ามีสัมผัสที่6และนำความสามารถดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็จะเป็นที่นับถือไม่ว่าจะเป็นพระเกจิหมอเย้ามา้าทรงอย่างนี้นะคะ เรื่องราวเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่ผู้คนเชื่อและก็มีความลี้ลับตลอดมาค่ะถึงแม้ว่าปัจจุบันจะเป็นยุคที่วิทยาศาสตร์มีเหตุผลในเชิงอัดแต่ถ้าหากว่ามีใครสักคนแสดงตัวว่าสามารถมองเห็นพูดผีวิญญาณมีตาทิพย์รู้อดีตรู้อนาคตก็จะเรียกร้องความสนใจจากผู้คนได้มากเลยทีเดียวและก็เป็นช่องทางให้พวกนักต้มตุน๋นแสวงหาผลประโยชน์ได้ง่ายเช่นเดียวกันเหมือนกับดาบสองคมนะคะ มีเรื่องแปลกประหลาดอย่างเรื่องหนึ่งค่ะเกี่ยวกับสัมผัสที่หกที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงสูงวัยนางหนึ่งที่เข้ามาสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดอินทาราามริมคลองบางกอกใหญ่ แล้วก็เกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างที่ทำให้ประชาชนที่มาร่วมงานประจำปีบวงสวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินในปีนั้นทึ่งนะคะและก็เชื่อกันอย่างสนิทใ จ, จว่าเป็นดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงเสด็จผ่านร่างหญิงผู้นั้นทำให้เป็นที่โจ์ขานกันอยู่ตลอดในย่านวัดอินทารามฝั่งทนจวบจนทุกวันนี้ค่ะ เรื่องราวยู่ว่าขณะที่แม่ชีผู้ดูแลวิหารน้อยเอากุญแจมาเปิดวิหารตามปกติเพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปสักการะบูชาพระเจ้าตากศิลเมื่อแม่ชีปัดกวาดทำความสะอาดเสร็จเป็นกิจวัตรปกติเสร็จแล้วก็ออกตายคล้อยหลังไปไม่นานก็มีหญิงวัยกลางคนค่ะสวมเสื้อผ้าชุดแดงสดทั้งชุดเดินเข้ามาในวิหารซึ่งก่อนหน้านั้น ก็มีประชาชนทยอยกันมากราบไหว้เรื่อยๆอยู่แล้วถือว่าเป็นเหตุการณ์ปกติทุกวันของที่นี่เมื่อสตรีชุดแดงมาถึงก็ก้มลงกราบที่หน้าพระแท่นบรรทมของสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะซึ่งเหตุการณ์ไม่คาดคิดของประชาชนที่เข้ามากราบไหว้บูชาในวิหารก็เกิดขึ้นเมื่ออยู่ๆหญิงชุดแดงก็ลุกพรวดแล้วก็ก้าวเท้าขึ้นไปบนพระแท่นบรรทมนั่งหลับตาทำสมาธิเป็นเวลานา น, าน ทำให้ประชาชนที่เห็นเหตุการณ์ไม่พอใจค่ะแล้วก็มีคนผู้หนึ่งค่ะตรงเข้าไปต่อว่าหญิงดังกล่าวอย่างรุนแรงว่าทําตัวไม่เหมาะสมแต่พอได้เห็นแววตาแล้วก็สีหน้าของหญิงดังกล่าวแล้วถึงกับหมดเรี่ยวแรงเข่าอ่อนแล้วก็ซุดตัวนั่งลงกราบนะคะหมดสภาพของคนที่เคยโมโหฉุนเฉียวก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชิงพร้อมกับเล่าให้กับทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ฟังบอกว่า สิ่งที่เห็นคล้ายกับภาพมิติโดยมีใบหน้าของผู้ชายโบราณไว้หนวดยาวเฟื้อดุดันซ้อนทับอยู่กับหน้าของผู้หญิงชุดแดงพร้อมเคียงทั้งยังตะหวาดมาแบบเสียงดังลั่นนะคะว่ามึงบังอาจมากก็มันเป็นที่ที่กูเคยนั่งกูจะขึ้นมาไม่ได้หรือมึงจงรู้ไว้กูนี่แหละพระเจ้ากรุงธนบุรีได้มาอาศัยร่างของอีคนนี้มาพบปะกับพวกมึงเพราะทุกๆวันพวกมึงพากันมาร่ำร้องถึงความเดือดร้อนจนกูอยู่ไม่เป็นสุข กูจึงต้องมาพวกมึงยังไม่พอใจอีกหรือที่บริเวณวิหารน้อยในวันนั้นมีประชาชนมามุงดูกันอย่างเนืองแน่นและก็ยังมีผู้คนแห่กันมาอยู่เรื่อยๆนะคะจากข่าวลือที่แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วทำให้การจราจรบริเวณหน้าวัดอินติดขัด คนที่มาต่างเข้าไปกราบขอพรคนที่รู้เรื่องประวัติศาสตร์ก็ดีค่ะมาถามถ่ายรวมไปถึงการขอหัวอีกด้วยนะคะปรากฏการณ์ที่เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติดังกล่าวนี้เกิดขึ้นจริงเมื่อวันที่12ก ร, รกฎาคม2498แสดงให้เห็นถึงความเลื่อมใสศรัทธาในพระบรมมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตพระองค์นี้เป็นที่สุดค่ะถึงแม้ว่าวันเวลาจะผ่านมาเนิ่นนานกว่า60ปีแล้วก็ตาม แต่ประชาชนที่อยู่เขตฝั่งธนบุรีโดยเฉพาะผู้คนย่านวัดอินทารามทุกคนยังเชื่อกันนะคะว่าดวงพระวิญญาณของพระองค์ทรงสถิตยอยู่ณสถานที่แห่งนี้ทำไมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงผูกพันกับวัดอินทารามก็มีหลายคนถามเปรียบเปรยนะคะ ถ้าจะตอบก็ตอบแบบเปรียบเปยเหมือนกันว่าวัดอินทารามนมี่เปรียบเสมือนวัดประจําราชการสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็คงไม่ผิดไปจากนี้เพราะว่าหลังจากที่พระองค์กู้กรุงศรีอยุธยาจากพม่าคืนมาได้แล้วก็ทรงย้ายมาสถาปนากรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงวัดอินทารามนี้ก็เล่าสืบกันมาค่ะว่าในสมัยอยุธยามีอาณาบริเวณกว้า ง, วางขวางใหญ่โตกว่าปัจจุบันมากไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ใดสร้างและสร้างมาตั้งแต่เมื่อไหร่ วัดอินทารามสมัยโบราณเดิมเรียกค่ะว่าวัดบางยี่เรือนอกชื่อที่มาของวัดนี้มีความหมายว่าบางยี่เรือในสมัยกรุงศรีอยุธยามีลักษณะเป็นป่าสแกทึบนะคะแต่ว่าฝั่งตรงข้ามค่ะเป็นที่ลุ่ม แล้วก็มีต้นกกขึ้นอยู่ในน้ําตื้นๆคล้ายกับป่าพรุนะคะถ้ามีเรือล่องมาในลําคลองจะต้องอ้อมคุ้งมองเห็นได้ชัดจึงเหมาะกับการเป็นชายภูมิซุ่มยิงได้ดีจึงเรียกว่าบังยิงเรือต่อมาก็เลยได้เพี้ยนเป็นบังยี่เรือเนื่องด้วยวัดนี้ค่ะตั้งอยู่ท่ามกลางป่าสแกหนาทึบต้องล่องมาทางเรือเท่านั้นจึงจะพบเห็นได้เพราะเหตุนี้ก็เลยต้องรอดผลสายตากับพมา่ามาโดยตลอดค่ะเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสิน ทรงปราบดาพิเศษแล้วทรงได้พบกับวัดนี้ก็ทรงพอที่อพอพระาราชหฤทยัยจึงทรงมาบุรณะปฏิสังขรแล้วก็สถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ พระองค์ทรงเสด็จมาทรงประกอบพระราชกุศลและปฏิบัติกรรมฐานอีกทั้งยังทรงถวายพระเพลิงพระบรมศพพระราชชนนีในวันพฤหัสบดีแรม5ค่ำเดือน6ปีพุทธศักราช2318ซึ่งเป็นงานใหญ่โตนะคะมีการละเล่นมหระทต่างๆจำนวนถึง522โรงค่ะแสดงประมาณ29วันจวบจนกระทั่งเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินสวรรคตในปีพุทธศักราช2325 ก็ได้เชิญพระบรมอัถินะคะมาบรรจุไว้อยู่ที่พระเจดีย์เหลี่ยมย่อมุมยอดบัวหน้าพระอุโบสถหลังเก่าค่ะต่อมารัชกาลที่สโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้บรรณวัดนี้ใหม่แล้วก็พระราชทานานามว่าวัดอินทารามหน้าบันพระวิหารเจาะหน้าต่างใหญ่สะท้อนแบบแผนพระราชนิยมในสมเด็จพระเจ้าตากสิน ภายในประดิษฐานพระพุทธ ร, รูปฉลองพระองค์ซึ่งเป็นพระพุทธ ร, รูปปางตรัสรู้ใต้องค์ประดิษฐานพระบรมราชสาีริรังคานของสมเด็จพระเจ้าตากสินค่ะส่วนในพระวิหารน้อย หรือพระวิหารพระเจ้ากรุงธนบุรีประดิษฐานพระแท่นบันทมพระแท่นประทับทรงธรรมและทรงเจริญกรรมฐานขณะยังมีทรงยังทรงมีพระชนชีพอยู่ค่ะแล้วก็พระแท่นที่ทําด้วยไม้พนักแกะด้วยงาช้างลายพุทธตานประกอบไปฝีมือประณีตงดงามมากรวมไปถึงพระเจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิของพระองค์แล้วก็พระอัครมเหสีนะคะ ปัจจุบันนี้ค่ะคุณผู้ฟังวัดอินทารามจัดเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารตั้งอยู่ริมคลองบางกอกใหญ่และก็ริมถนนเทิดไทยแขวงบางยี่เรือเขตทนบุรีกรุงเทพและก็ทุกปีในวันที่28ธันวาคมซึ่งเป็นวันตากสินมหาราชชาวฝั่งทนบุรีค่ะจะประกอบพิธีบวงสวงที่วิหารน้อยอย่างยิ่งใหญ่เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงตรากตรำทำสงครามเพื่อกอบกู้เอกราชให้คนไทยมาตลอดชีวิตนะคะ มาในยุคปัจจุบันวัดอินทารามเป็นวัดที่เคยปรากฏเรื่องเล่าถึงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินซึ่งชาวฝั่งทนบุรีเชื่อค่ะว่าดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่านยังสถิตอยู่ที่วิหารน้อยวัดอินทารามคอยปกปักรักษาลูกหลานคนไทย เรื่องราวของผู้หญิงชุดแดงยังไม่จบค่ะประชาชนที่ตื่นกระแสดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระเจ้าตากสินจนทำให้เกิดความวุ่นวายในวัดเป็นอย่างมากที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องเชิญหญิงชุดแดงที่อ้างตนเองว่าเป็นผู้ถูกเลือกของพระเจ้าตากสินไปสอบสวนที่โรงพัก จึงได้ความกระจ่างคว่านางคือ น, นางเฟียนลิ้มลายขายยาเส้นเป็นอาชีพหลักอยู่ไม่ไกลจากวัดอินทารามจากการสอบถามบุคคลทั่วไปให้การค่าว่าผู้หญิงคนนี้สติไม่ค่อยดีแต่ไม่ได้เสียสติเหมือนชื่อนะแค่อ่านและก็เขียนหนังสือไม่เป็นเท่านั้นนะคะ เรื่องนี้หากนําไปถามนักจิตวิทยาทั่วไปได้คําตอบแล้วก็ภาพรวมว่าเป็นไปได้ยากค่ะหรืออาจจะเป็นไปไม่ได้เลยสิ่งที่เกิดขึ้นกับสตรีชุดแดงนั้นอาจจะเกิดจากความเครียดและความกังวลสูงหรืออาจจะต้องการความรักความสนใจจากผู้อื่นดังนั้นผู้ที่บอกว่าได้ยินเสียงแววหรือมีคนมากระซิบบอกเรื่องราวมียานวิเศษมีตาทิพย์ เห็นเรื่องราวต่างๆนานานั้นก็อาจจะถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลเพื่อบำบัดจิตได้นะคะถึงแม้ว่านักจิตวิทยาที่ใช้ฐานความคิดทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายให้ทราบกันอย่างนี้แล้วก็ไม่สามารถลบล้างความเชื่อความศรัทธาของประชาชนที่เห็นเหตุการณ์ ต่างก็มีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะอำนาจศักดิ์สิทธิ์ของดวงพระวิญญาณขององค์พระเจ้าตากสศิลจริงๆนะคะที่เสด็จผ่านร่างผู้ที่ไม่มีความรู้ในประวัติศาสตร์ก็เพื่อให้รู้ว่าเป็นพระองค์ค่ะ สำหรับประเด็นที่แปลกกว่ามากก็เห็นจะเป็นคําให้การของนางเพี้ยนว่านางไม่เคยมีความรู้ทางด้านการเรียนมาก่อนจึงไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แต่พอตํารวจสอบถามถึงประวัติศาสตร์นะคะนางกลับตอบได้อย่างฉะฉันแบบละเอียดถี่ยิบสามารถตอบคําถามในเรื่องประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดีชนิดที่ครูบาอาจารย์ด้านประวัติศาสตร์สายตรงต้องอายค่ะและก็มีบางเรื่องที่ฟังแล้วมีเค้าโครงความจริงอยู่มาก อีกทั้งนางเพี้ยนยังให้การตอบไปอีกว่าไม่รู้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงไม่รู้แม้กระทั่งว่าตัวเองเนี่ยเข้าไปในวิหารน้อยได้ยังไงเมื่อรู้ตัวก็มาอยู่ที่โรงพักเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นที่วิหารน้อยที่เป็นที่ประทับของพระเจ้ากรุงธนบุรีในวัดอินทารามริมคลองบางกอกใหญ่ก็เลยคลาคล้าไปด้วยประชาชนที่เดินทางมาจากทั่วสารทิศเพื่อมาสักการะขอพรโดยเฉพาะเรื่องหวย ถวายเครื่องสังเวยและก็แก้บนค่ะก็เลยกลายเป็นภาพปกติที่ชาวบ้านวัดอินเห็นกันจนชินตาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะมีเรื่องราวอาถรรพ์ต่างๆแล้วก็ความลึกลับเกี่ยวกับพูดผีในรัววาาร้วมหาวิทยาลัยหลากหลายรั้วมหาวิทยาลัยเหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะขอยกเอาเรื่องของ มหาวิทยาลัยมหิดลสารยาค่ะของนักศึกษาโพสมาเล่าสู่กันฟังทางอินเทอร์เนต็ตได้อ่านดูแล้วก็รู้สึกว่ามีความน่าสนใจมากเลยทีเดียวเนื่องจากว่าเป็นเรื่องราวที่รู้กันเฉพาะกลุ่มนักศึกษาภายในเท่านั้นก็เลยขอหยิบยกมาพูดถึงเพื่อเป็นวิทยาทานนะคะ สำหรับที่มาของชื่อสาลายานั้นเชื่อกันว่าในสมัยก่อนพื้นที่บริเวณนี้เกิดโรคระบาดหรือว่าโรคขาค่ะที่มีผู้คนตายมากมายทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ทับถมกันเป็นกองสูงเผาศพกันไม่ทันส่วนใหญ่ก็ถูกทิ้งให้แร้งจิต ก, กินเป็นที่น่าสังเวชเช่นเดียวกันกับที่วัดสะเกตภูเขาทองนะคะบริเวณด้านข้างวัดสะเกดที่ใช้กองซากศพสมัยนั้นชาวบ้านเรียกกันว่าประตูผี จนมากระทั่งทุกวันนี้ค่ะทางการจึงตั้งสาราขึ้นมาแห่งหนึ่งเพื่อส่งมอบยาให้กับชาวบ้านต่อมาก็เลยเรียกติดปากกันสืบมาค่ะว่าสารายานะคะสำหรับพื้นที่ดังกล่าวนี้ต่อมาได้ใช้สร้างเป็นมหาวิทยาลัยไมหีโดนเรื่องราวอาถรรพ์ของเพลงรักน้องหรือเจ้านกน้อยที่มีเนื้อร้องทำนองว่าเจ้านกน้อยล่องลอยโผบินจากแผ่นดินทะเลสีคราม นักศึกษาเชื่อกันค่ะว่าเป็นเพลงอาถรรพ์ซึ่งมีเรื่องเล่ากันต่อๆมาว่ามีนักศึกษาพยาบาลหญิงคนหนึ่งค่ะถูกพ่อแม่บังคับให้เรียนในสายวิชาที่ตนไม่เต็มใจด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจเธอก็เลยปีนขึ้นไปบนดาดฟ้าของหอพักแล้วก็เขียนเนื้อร้องของเพลงรักน้องไว้สั้นๆตามที่เราได้อ่านให้ฟังไปเมื่อสักครู่นะคะก็เลยทิ้งร่างดิ่งลงมาสู่พื้น เพลงรักน้องนะคะจึงเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกการระลึกนึกถึงนักศึกษาพยาบาลรุ่นพี่คนนั้นหลังจากนั้นจึงมีกฎที่รู้กันในหมู่คณะนักศึกษาทุกรุ่นนะคะว่าห้ามร้องเพลงนี้ในเวลากลางคืนและถ้ามีใครเผลอร้องขึ้นมาแล้วแล้วก็ต้องร้องต่อจนจบเพลงห้ามปล่อยทิ้งไว้ครึ่งครึ่งกลางกมิฉะนั้นก็เท่ากับว่าเป็นการเรียกดวงวิญญาณ น, นักศึกษาพยาบาลรุ่นพี่คนนั้นขึ้นมานะคะแล้วอาถรนก็จะเกิดกับเจ้าของเสียงรอ้อง ททันทีค่ะบางครั้งก็มีนักศึกษาปีหนึ่งเข้าใหม่ๆนะคะก็เห็นว่าเธอกำลังกระโดดลอยลงมาจากดาดฟ้าหอพักพอรุ่นน้องตั้งสติได้ก็วิ่งไปเรียกร้องให้คนมาช่วยพอกลับมาถึงจุดดังกล่าวก็พบแต่ความว่างเปล่าค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะในรั้วมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะคือเรื่องของ si 1มหิดลเตียง c เป็นอีกหนึ่งความเชื่อเกี่ยวกับวันสำคัญของมหาวิทยาลัยม่ิดลซึ่งกล่าวถึงวิญญาณของอดีตนักศึกษาคณะแพทย์สิริราชคนหนึ่งที่มักจะกลับมาเยี่ยมเยียนหอพักที่ตนเคยอยู่ในวันนี้ของทุกๆปีนะคะ คนที่เคยเห็นค่ะเล่าว่ามักจะมาในรูปของชุดนักศึกษาเสื้อที่สวมอยู่เต็มไปด้วยเลือดแล้วก็ร่างกายมีบาดแผลเวะหวะสุดสยองเนื่องจากรุ่นพี่คนนี้ถูกรถพุ่งเข้าชนในขณะที่ข้ามถนนมายังมหาวิทยาลายัยสันนิษฐานกันค่ะว่าอุบัติเหตุครั้งนั้นมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนไม่รู้ว่าตัวเองได้ตายไปแล้ว อุบัติเหตุครั้งนั้นนะคะก็ได้พากชีวิตของรุ่นพี่คนนี้ไปแล้วก็ห้องพักที่รุ่นพี่คนนี้เคยอยู่ก็ต้องถูกปิดตายไปด้วยนักศึกษาภายในทราบแต่เพียงว่าเตียง C ของนักศึกษา SI เท่านั้นค่ะแล้วก็นักศึกษารุ่นพี่คนนี้มักจะมาปรากฏตัวให้เห็นกันในคืนเมื่อีดนเท่านั้นเรื่องนี้จัดว่าเป็นความน่ากลัวอันดับต้นๆของมหาวิทยาลายัยสารในเขตศารลายานะคะ แล้วก็อีกเรื่องราวหนึ่งค่ะเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องของนักศึกษาวิทยาลัยเขตสารยาเรียกกันว่าเชือกในห้องน้ําค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ประมาณปีกว่าๆมีข่าวแพร่สะพัดตามหอพักในมหาวิทยาลัยว่าช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคมค่ะแม่บ้านคนหนึ่งได้ผูกคอตายในห้องน้ําชายห้องน้ําดังกล่าวได้ถูกปิดตายไปพักใหญ่เจ้าหน้าที่ห้องพักก็แก้ต่างว่าห้องน้ําเสียนักศึกษาชายที่อยู่ตรงหอพัก ตรงข้ามกับห้องน้ําดังกล่าวนะคะก็มักจะได้ยินเสียงร้องไห้สอือกสะอืน่นดังออกมาจากบริเวณห้องน้ําดังกล่าวค่ะได้ยินบ่อยครั้งก็รู้สึกสงสัยก็เลยปีนไปดูเมื่อมองลอดช่องบันเกล็ดเข้าไปก็พบว่ามีเชือกผูกอยู่กับขื่อห้องน้ําและก็แม่บ้านที่ทําความสะอาดประจําตึกดังกล่าวก็หายไปด้วยในปัจจุบันห้องน้ําดังกล่าวนี้ได้เปิดใช้งานตามปกติแล้วนะคะแต่ผู้ที่เข้าไปใช้ห้องน้ําดังกล่าวมักจะพบเจอเรื่องแปลกๆอยู่เป็นประจําค่ะ อีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตรงข้ามตึกวิทย์เก่ามันจะมีเรือนไทยโบราณสีแดงอยู่หลังหนึ่งนักศึกษามักจะใช้ที่นี่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ตีวหนังสือกันเป็นกลุ่มใหญ่นะคะแต่ก็ไม่มีใครรู้ค่ะว่ามีความเป็นมาอย่างไรแต่ว่ามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรือนไทยหลังนี้มากมายเมื่อสองปีก่อนค่ะมีนักศึกษาวิทยาลายัยมหิดล เป็นผู้หญิงคนนึงเข้าไปนั่งอ่านหนังสือเพียงลําพังจนเวลาผ่านไปใกล้ค่าขณะที่เธอกําลังเก็บของเตรียมตัวกลับหอพักก็เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างปลิวสวายอยู่เมื่อเดินเข้าไปใกล้ก็พบว่าเป็นเส้นผมของผู้หญิงใส่ชุดไทยโบราณห้อยหัวลงมาจากเสาเรือนนะคะเธอกรีดร้องลั่นค่ะแล้วก็ช็อกหมดสติไปหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าไปตามลําพังอีกเลยเพราะว่าเสาเรือนไทยต้นที่ว่ามีน้ํามันไหลยเยิ้มอยู่ตลอดเวลานะคะ ความลับในหอพักชายค่ะไม่เคยมีใครรู้มาก่อนว่าสมัยก่อนนะคะหอพักชายของมหาวิทยาลัยแม่ิดลสารายาเป็นหอพักหญิงมาก่อนโดยเฉพาะที่หอสิบมีเรื่องเล่ากันว่านักศึกษาหญิงคนนึงได้ฆ่าตัวตายภายในหอพักวิญญาณของเธอก็ยังคงวนเวียนอยู่ที่หอแห่งนี้และก็มักมาให้นักศึกษารุ่นต่อมาเห็นกันอยู่บ่อยครั้งค่ะในลักษณะ การสวมใส่ชุดขาวเดินไปมาแถวบริเวณบันไดหนีไฟและก็ทางเชื่อมระหว่างหอซึ่งก็มีนักศึกษาชายในแต่ละรุ่นมักจะนำเรื่องนี้มาบอกกับเจ้าหน้าที่หอพักนะคะ เรื่องราวต่อไปนี้ก็เขย่าวขวัญสันประาสาัดน่ากลัวไม่แพ้ที่อื่นเหมือนกันเกิดขึ้นที่คอนโดซีห้องขอไม่บอกเลขละกันนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าตั้งอยู่บริเวณประตู3าซึ่งเป็นคอนโดที่นักศึกษานิยมเช่าพักกันมากอีกแห่งหนึง่งเพราะว่าใหม่แล้วก็สะอาดค่ะแต่ก็จะมีอยู่ห้องหนึ่งที่ปิดขอบประตูรอบโดยด้วยยันนะคะแล้วก็แปะไว้ที่หน้าประตูอีก1แผ่น คนที่เดินผ่านไปผ่านมารู้สึกแปลกๆเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างเฝ้ามองออกมาอยู่ตลอดเวลา เรื่องราวของห้องนี้มีอยู่ว่าช่วงปิดเทอมเมื่อประมาณ4ปีก่อนค่ะมีนักศึกษาอินเตอร์สาวสสา ว, สา ว, สาวปี2ก ร, รอกยาฆ่าตัวตายแต่กว่าเพื่อนจะไปพบศพก็ขึ้นอืดจนเน่าเฟะแล้วนะคะเพราะว่าตายมาค่อนข้างจะหลายวันสาเหตุมาจากการน้อยใจแฟนก็เลยฆ่าตัวตายประชดค่ะเพื่อนร่วมห้องของเธอขอย้ายไปพักที่อื่นคนที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ๆก็ไม่รู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นตกกลางคืนก็จะได้ยินเสียงเปิดปิดน้ําเสียงร้องไห้สะอื้น บางครั้งกลับมาจากเรียนก็จะเห็นข้าวของในห้องเคลื่อนย้ายที่วางซ้าร้ายกว่านั้นก็จะมีนักศึกษาบางคนค่ะถูกกระชากลงมาจากเตียงทั้งๆ ท, ที่กําลังหลับอยู่นะคะบางคนนั่งอยู่หน้ากระจกแล้วก็จะเห็นผู้หญิงหน้าตาบวมปูดเหมือนศพเดินผ่านด้านหลังและก็อีกหลายคนที่ถูกผีอั้มจนต้องขอย้ายออกไปทุกๆเรื่องนะคะที่ได้เล่ามาทั้งหมดนั้นเป็นที่รู้กันภายในกลุ่มนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมห ah ิดลศารยาทั้งยังมีประสบการณ์กันมาแทบทุกรุ่น และปัจจุบันนะคะสถานที่อ้างอิงเหล่านี้ก็มีอยู่จริงดังนั้นผีก็น่าจะมีจริงด้วยเช่นกันหรือว่าคุณผู้ฟังจะคิดเห็นอย่างไรก็สุดแล้วแต่ช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยค่ะ